ก็ขับบูชาพระรตนตรยัยขับบูชาครูบาอาจารย์ท่างแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนก็กราบครวะพระอ า, าจารย์พุทนาชัยพระอาจารย์ฉัตรชัยเพื่อนสาธรรมิกเจริญพรแม่ชีวาสุุบาลสิท า, าทุกท่าน <c oughs> ก็นั่งตามปกติเนาะ หลังจากที่เราได้ทำวัด ส, สดมนก็เป็นกิจวัตรประจำวันของที่นี่นก็ตอนเช้าตอนเย็ น, นก็เป็นการสาธยายมนระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งก็เป็นที่ระลึกเป็นที่พึ่งที่แท้จริง นะพระพุทธนั้นนะอาจจะหมายถึงพระพุทธเจ้านะหรืออาจจะหมายถึงสภาวะที่รู้ตื่นเบิกบานนะที่มีอยู่ในตัวเรานะพระธรรมนะบางคนก็เข้าใจว่าเป็นหัวข้อธรรมหลักธรรมนะนั้นก็ใช่นะ แธรรมะที่แท้จริงที่เราสัมผัสได้ก็คือปรากฏการณ์ตามธรรมชาตนะิที่มันเกิดขึ้นทั้งเป็นปรากฏการณ์ภายนอกตัวเราและก็ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้แล้วก็พระสงฆ์ก็คือพระอริยสงฆ์ส ม, มุทิสงฆ์ แล้วก็การประพฤติปฏิบัตนะิของพวกเรานะที่ได้กระทำให้ตรงตามกฎของธรรมชาตนะิเลยความจริงนะนี่เป็นสิ่งที่เราได้ร่วมกันนะสาธยายไปนะเมื่อสักครู่นีนะ้แล้วก็ได้มีการสวดมนต์บทพิเศษนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นะบทพิจารณาอาการ32นะที่พูดถึงผมเล็บฟันหนังซึ่งพระที่บทใหม่เนี่ยนะอุปชาก็จะให้พิจารณานะกรรมฐานอนันนะี้เป็นเบื้องต้นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอุบายนะเป็นวิธีการนะที่จะให้เราเนี่ย กลับมาอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราในชีวิตของเรานะที่อยู่ในสังคมในโลกเนี่ยส่วนใหญ่ใจของเราเนี่ยมันจะไปสนใจกับเรื่องข้างนอกนะเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเรื่องสังคมเรื่องโลกนะซึ่งตรงนั้นก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้อง นะสิ่งที่เราจะต้องไปทำการทำงานนะก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าโอกาสที่เราจะได้มาเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจที่เป็นโรคภายในของเราเนี่ยมีโอกาสน้อยนะในสังคมในโลกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยได้ สนใจนะหรือไม่ได้เห็นความสำคัญประนันชีวิตที่อยู่ในโลกอยู่ในสังคมเนี่ยนะเรามม่แต่มองข้างนอกนะมองโลกข้างนอกเนี่ยบางทนะีเราก็มีความเครียดนะมีความเหน็ดเหนื่อยมีความหนักอกหนักใจนะซึ่งตรงนี้บางทีเราก็มองไปว่ามันเกิดจากสภาพแวดล้อม เกิดจากสังคมเกิดจากคนอื่นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันเกิดจากคนอื่นเกิดจากสิ่งอื่นเราก็เลยไม่ได้มาดูไม่ได้มาศึกษาเรื่องนี้เพราะนั้นเมื่อเราเกิดความทุกข์ในใจเราก็พยายามจะแก้ไขโดยการหาสิ่งแวดล้อมภายนอกเช่นเราเครียดเราก็ไปเที่ยว ไปดูหนังฟังเพลงนะหรือโทรศัพท์พูดคุยกับเพื่อนฝูงนะซึ่งตรงนั้นก็ช่วยทำให้เราได้สบายใจขึ้นมาได้บ้างนะเรียกว่าอาศัยสิ่งข้างนอกนะเป็นที่พึ่งซนะึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราคงจะคุ้นเคยแต่เราสังเกตไหมว่าการอาศัยสิ่งแวดล้อมภายนอกเพียงอย่างเดียวเนี่ย มันก็เป็นเพียงแต่บรรเทานะความหนัก อ, อกหนักใจความทุกข์ไปได้เป็นครั้งเป็นคราวนะมันไม่ได้แก้ไขหรือไม่ได้ทำให้ทุกข์นั้นหายไปอย่างแท้จริงนะแต่เมื่อใดก็ตามนะที่เราได้กลับมาดูที่กายที่ใจของเรามาสัมผัสกับความหนัก อ, อกหนักใจสัมผัสกับความเครียด นะความเบื่อความฟุ้งซ่านเนี่ยนะตรงนีนะ้เราจะเริ่มเห็นปัญหาเห็นความทุกข์ที่แท้ จ, จริงซึ่งมันเกิดขึ้นภายในตัวเรานะเพราะนั้นการที่เรามาวัดป่าสุกโตเนี่ยนะเราก็จะวางเรื่องข้างนอกเรื่องของสังคมไว้ก่อนการงานก็ดีครอบครัวก็ดีเรื่องของสังคมเราจะวางไว้ก่อน เราก็จะมาใส่ใจมาสนใจสิ่งที่เป็นโลกข้างในตัวเรานะก็คือกายใจของเรานี้เองคําว่าโลกในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงกายหมายถึงใจซึ่งถ้าเราได้มาดูได้มาเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยเราจะได้พบกับความทุกข์ที่แท้จริงปัญหาที่แท้จริงนะความหนัก อ, อกหนักใจความเบื่อความฟุ้งซ่าน นะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆแต่ก่อนเราอยู่ในโลกเราไม่เคยได้สนใจเราไม่เคยได้มาดูมันเพราะนั้นเราก็มีชีวิตยอยู่ไปวันๆนหนึ่งหาทางกบเกลื่อนไปวันๆหรือกล่อมไปวันๆหนึ่งนะแต่ไม่รู้สายเุที่แท้จริงเลยว่ามันเกิดขึ้นในใจเรานี่แหละเราจะแก้เราก็ต้องมาแก้ในใจเราแนะทีนี้การที่เราจะมาแก้หรือจะมาดู สิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในตัวเราเนี่ยมันก็ต้องอาศัยเครื่องมือเราไม่สามารถจะใช้ตาเนื้อเนี่ยดูได้หรือไม่สามารถที่จะใช้ความนึกคิดนาะจินตนาการได้แต่มันมีเครื่องมืออันหนึ่งนาะที่เจ้าชายศิษฏาได้ค้นพบเมื่อประมาณ 2,600 กว่าปีที่แล้วนะก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสติสัมปชัญญะ นาหรือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เราเกิดและเป็นเครื่องมือที่เราได้ใช้เรียนรู้ตั้งแต่เราเด็กๆสมัยเด็กๆเราไม่เคยใช้ความคิดเนะเราเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยด้วยความรู้สึกตัวซะเป็นส่วนใหญ่นาซึ่งความรู้สึกตัวเนี่ยนาเป็นเครื่องมือสำคัญนาที่เราจะเข้าไปเรียนรู้กายใจของเรา เข้าไปเรียนรู้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแต่ความรู้สึกตัวนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาใหม่แต่ที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นความรู้สึกตัวตามสัญชาตญาณ น, นามันอาจจะไม่เพียงพอนาในการที่จะรู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆนาซึ่งเป็นสิ่งที่ไว นาเป็นสิ่งที่ไวกว่าแสงเพราะนั้นเราก็ต้องอาศัยสิ่งที่มันไวพอๆกันหรือไวกว่านาสิ่งที่ไวกว่าความคิดไวกว่าอารมณ์ไวกว่าความรู้สึกต่างๆก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองซึ่งเครื่องเรือเนี้ยพุทธเจ้าได้ค้นพบแล้วก็ได้เผยแพร่สืบต่อมานาพานพาริยสงฆ์นาพานมาถึงครูบาอาจารย์ในยุค ต, ต, ต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ เพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้กลิ่นอายของพุทธองค์เนี่ยยังไม่สับสูนไปนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำได้ทีนี้วิธีการที่เราจะพัฒนาหรือทำความรู้สึกตัวให้มันตื่นขึ้นเนี่ยมันก็มีหลายวิธีในประเทศไทยเรามีมากมายนะแต่โดยสรุปเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองวิธีใหญ่ นะวิธีแรกก็คือให้นั่งนิ่งๆหลับตาให้สงบในระดับหนึ่งแล้วก็มาพิจารณานะความรู้สึกนึกคิดที่มันเกิดขึ้นนะนี่ก็เป็นวิธีการนึงมีคำบริกรรมนะนี้ก็เป็นวิธีการที่ส่วนใหญ่พวกเราจะคุ้นเคยอีกวิธีหนึ่งนะที่เราจะฝึกกันที่นี่เนี่ยเราจะไม่นั่งนิ่งๆเราจะไม่นั่งหลับตาเราจะไม่เน้นตรงสงบนิ่ง แต่เราจะปลุกความรู้สึกตัวนะ่ดโดยอาศัยการเคลื่อนไหวของกายกายกับใจมันติดกันพราะฉะนั้นการที่จะทําให้ความรู้สึกตัวซึ่งเป็นอาการหนึ่งของใจมันตื่นขึ้นเนี่เราก็อาศัยการเคลื่อนไหวกายนะซึ่งหลวงพ่อเทียนนะก็ได้นําเสนอไว้เมื่อ50ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้นะก็ได้มีาการฝึกฝนนะแล้วก็ มีประสบการณ์ถ่ายทอดสืบมาจนถึงปัจจุบันแม้ว่าตัวท่านจะไม่อยู่แล้วแล้วก็ไปตรงเอากับในมาสติปฐานสูตรนในพระไตรปิฎกด้วยนในหมวดที่เรียกว่าอริยบพะและก็สัมปชัญญบบพะอริยบพะก็คือใช้อริยบทเป็นตัวปกความรู้สึกตัวหรือสัมปชัญญะบพะก็คือการใช้อริยบทย่อย นะไม่ว่าจะเป็นคู่เหยียดเคลื่อนไหวนะกินดื่มพูดคิดอะไรต่างๆนะก็ให้รู้เท่ารู้ทันนะเป็นการตกความรู้สึกตัวขึ้นมาทีนี้วิธีการที่เราฝึกกันเนี่ยนะเราเรียกว่าการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะก็คือจะมีการเคลื่อนไหวจะไม่นั่งนิ่งๆไม่นั่งหลับตานะพลิกมือนะยบมือในแต่ละ จังหวะอ้ก็เรามีความรู้สึกตัวนะอย่าไปทำแบบอัตโนมัติหรือไปทำแบบเร็วเร็ ว, รวด่วนด่วนเดี๋ยวพอคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยให้ทำเป็นจังหวะพลิกมือก็รู้เคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้ให้มันเป็นจังหวะอย่ายกไปแล้วก็คิดไปยกไปคิดไปเนี่ยมันไม่รู้ตัวแล้วนะให้เราพยายามแรกๆเนี่ยคนใหม่ให เจตนาลงไปเลยใส่ใจลงไปที่จะรู้ตัวมันอาจจะเพ่งบ้างก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันจะปรับตัวเองถ้าเราทําไปลอยๆไม่เจตนาทําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเหมือนค่มใจลอยทําไปอัตโนมัติอย่างนั้นเนี่ยสติมันจะไม่ไม่ตื่นมันมก็จะยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราเจตนาที่จะใส่ที่จะรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหว บางคนเคยฝึกอานาปนสติใช้ลมหายใจอันนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอานาปนสติเนี่ยมันจะเบาแล้วก็มันจะรู้สึกตัวอาจจะไม่ชัดแต่ถ้าเรายกมือเนี่ยมันชัดเลยเป้ามันใหญ่แะการเคลื่อนไหวมือเนี่ยหรือการเดินจงกรมเนี่ยมันชัดนะมันชัดตรงที่เรารู้สึกกับกายที่เคลื่อนไหวแรกๆเนี่ยเรารู้สึกกายที่เคลื่อนไหวบ่อยๆ ทีนี้ขณะที่เราทำเนี่ยนะขณะที่เรายกมือเราพยายามที่จะรู้สึกตัวกับกายเคลื่อนไหวเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอะไรแทรกซ้อนเข้ามาเช่นเรานั่งไปนาน น, านมันปวดมันเมื่อยไอ้ความปวดความเมื่อยนี่ก็เป็นธรรมดาของร่างกายนะที่มันจะแสดงอาการออกมาตรงนี้ให้เรารู้ทันเหมือนกันนะก็เป็นความรู้สึกเขาเรียกภาษาภาษาบาลีภาษาพระเขาเรียกเวทนา เพราะนั้นเราเรียนรู้กายเราก็ไปเรียนรู้เวทนาด้วยทีนี้มันตรวจมันเมื่อยเนี่ยนะถ้าคนที่ไม่คุ้นไม่ชินเนี่ยก็อาจจะมีคิดต่อไปว่าโอ้โหไม่ไหวละมันเหน็บกินละไม่ไหวละแย่และไม่ชอบเลยอ่าอันนี้นก็เห็นจิตละจิตที่มันคิดนึกมันปรุงแต่งมันสร้างไปนะตรงนี้ เพราะฉะนั้นเพียงแค่เรารู้สึกที่กายเนี่ยมันจะเป็นเวทนาเห็นจิตนะเพราะฉะนั้นทำเนี่ยทำธรรมดาเนี่ยแต่มันไปรู้เรื่องที่ลึกเข้าไปเรื่อยๆนะแล้วบางทีก็ทําไปมีความเลื่องเข้ามาแทรกนะโดยเฉพาะทำซ้ำําๆซ้ำๆบางคนจะรู้สึกง่วงนะตรง น, นี้ความเลื่องมันก็จะพาเราเพลินไปกับความเลื่องอายกมือก็จะยกไม่ขึ้นละ ตรงนี้เราก็ต้องสังเกตความเลื่องมาบางทีก็ฟุ้งซ่านนะแต่ส่วนใหญ่นั่งนี่ไม่เคยฟุ้งซ่านหลักส่วนใหญ่ยังเลื่องนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตความเลื่องเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาที่มันจะมาแต่เราไม่ยอมนะเราต้องไม่ยอมเราต้องฝืนเราต้องทวนมันเหมือนพุทธเจ้าเจ้าใจตะเนี่ยก่อนจะตัดสลูนเนี่ยหลังจาก กินข้าวของนางสุชาดาแล้วก็ไปเอาเอาขันเลือกฐานเนี่ยไปอธิษฐานนะว่าถ้าจะได้ตัดสู้ขอให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปนะปรากฏว่าถาดหรือขันเนี่ยมันก็ลอยทวนจริงๆนะจริงๆนะตรงนี้เนี่ยเขาก็เปรียบเป็นปิิสนาไว้ว่าเหมือนกับเราในเวลาเราฝึกเนี่ยเราต้องทวนกระแสความเคยชินเก่า เช่นเราเมื่องเนี่ยเราจะไม่นอนกลางวันไม่นอนฝืนมันหน่อยนายยกมือให้มันแรงๆขึ้นพยายามปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นอย่าไปยอมจำนอนมันจะพาให้ตาเราหลับแล้วตาตื่นใส่มันเลยหายใจเข้าลึกๆปลุกตัวเองให้ตื่นอย่าไปยอมจำนอนมันนะหรือบางทีทำไปทำไปมันเบื่อเออมันก็มีเหมือนกันนะใหม่ๆนี่จะเจอนะความเบื่อโอโ้ยกไปยกมามิเมื่อไรเลย เหมือนกับเราอยู่ที่บ้านเราเบื่อเราก็ไปนู่นไปนี่ไปนั่นได้นะเส้นตรงนี้มันก็ทำให้เราไม่เห็นทุกข์อ่ะเพราะนั้นอริยสัจข้อแรกเนี่ยจึงต้องสัมผัสกับทุกข์ทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีเราเห็นทุกข์แล้วเราก็จะได้เห็นว่าอ๋อที่มันทุกข์นี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปจมอยู่ในกับความเจ็บปวดเราไปจมอยู่ในความนึกคิด เราไปจนอยู่กันในกับความง่วงมันมีตัวมีตนกาอยู่ในสิ่งเหล่านั้นนะทีนี้ถ้าเราไม่สนใจมันจะง่วงก็ง่วงไปมันจะเบื่อก็เบื่อไปเราก็นั่งสร้างจังหวะเราก็เดินจงกรมของเราเนี่ยเดี๋ยสักพักมันก็หายไปเองอ่ะอันนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปลเปลี่ยนไปมันไม่ได้อยู่ตลอดความง่วงเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ไปนะความเบื่อเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ไป ตรงเนี้ยเราจะได้เรียนรู้อีกอันมังก็คือสิ่งที่เราเรียกว่ากว่าไม่เที่ย ง, งนะอนุจังทนอยู่ไม่ได้นะทุกขังแล้วก็ไปบังคับบัญชาไม่ได้ด้วยเป็นอันาตรายอีกเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเพียงแค่เรายกมือเราเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยโอโมันเรียนรู้ธรรมะเยอะแยะเลยและเป็นบางที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้นึกคิดนะเราไม่ได้ไปจํำนะ เราไม่ได้ไปจำมาจากหนังสือนะแต่มันเป็นปรากฏการณ์ที่มันแสดงให้เราดูโดยที่เราอาศัยสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นตาในที่จะดูเราใช้ตานอกเพื่อดูโลกข้างนอกเราใช้ตาในาคือใจคือความรู้สึกตัวเนี่ยดูโลกข้างในน่ก็คือ ความแปรปรวนความเปลี่ยนแปลงของกายของใจที่มันสแสดงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ธรรมะเนี่ยนะไม่ต้องใช้ความคิดเลยนะเจ็ดวันนี้นะทิ้งความคิดให้หมดเลยกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวจะยกมือก็ดีจะเดินจงกลมก็ดีกลับมารู้สึกตัวตรงนี้บ่อยๆตรงนี้มันจะเกิดวิสัยใหม่ขึ้นมานเรียกว่า นิสัยแห่งความรู้สึกตัวแต่ก่อนนั้นเรามีชีวิตที่รู้บ้างเผลอบ้างไปกับความคิดไปกับอารมณ์ต่างๆนานามันคิดไม่จบไม่สิ้นขนาดนอนมันก็ยังไม่ยอมจบถ้ามีเรื่องคาราคาซังค้างค า, าในใจบางทีก็ไปฝันอีกหรือเวลาเราโกรธ เราก็เกิบความโกรธจบจาเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเรียกว่าทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวนะตรงนี้มันเป็นเพราะว่าเราไม่รู้เท่าทันเราไม่เคยได้มาสนใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในกายภายในใจของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเจ็ดวันนี้เนี่ยนะสำหรับผู้ที่มาฝึกปฏิบัติก็ดีวันนี้อยู่ที่วัดก็ดีเนี่ยเรามาทาเรื่องนี้ เรามาดูโลกข้างในด้วยตาสติตาปัญญาก็คือความรู้สึกตัวนี้เองนะตรงนี้จะทำให้เราเห็นความจรงิงความจริงของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อกายใจของเราไปสัมผัสกับโลกไปเจอกับสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจแล้วใจของเรามันขึ้นขึ้นลงลงมันฟูฟูแฟบแ ถ้าเราดูอย่างนี้ได้ดบ่อยๆเนี่ยเราเจะเห็นเลยว่าใจที่มันไม่ปกติเนี่ยนามันจะผันผวนแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะต้องกลับมาสู่สภาพดั้งเดิมของมันคือปกติอย่างขณะที่แม่งฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าเราไม่ง่วงเราไม่เบื่อใจเราเฉยๆใช่ไหมนีม่คือสภาพพื้นฐานของคนทุกคนที่ทําให้เรา ชีวิตยอยู่จนถึงปัจจุบันไม่เป็นบ้าไม่เป็นโรคประสาทแต่ไม่ได้ก็ตามที่มันมีสิ่งที่ไม่ชอบใจเข้ามาจะเป็นทางรูปกรดีทางเสียงก็ดีทางกลิ่นก็ดีแล้วเราไม่รู้เท่าทันเมื่อไหร่ก็ตามใจมันก็จะเปิดอาการไม่ชอบใจขึ้นมาเกิดหมุดมิดเกิดถ้าเจอสิ่งที่ เป็นสิ่งที่เราชอบใจเราก็จะรู้สึกพอใจเพราะฉะนั้นใจมันก็จะไม่ปกติใจไม่ปกตินั่นแหละคือใจที่เป็นทุกข์ที่เราจะต้องรู้เท่าทันถ้าเรารู้เท่าทันด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะกลับมาสู่ปกติได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเป้าหมายของการที่เรามาฝึกเจริญสตินั้นก็เพื่อให้รู้เท่าทันใจหนาที่ไม่ปกติและใจที่ปกติ ถ้าเราเห็นใจที่ปกติบ่อยๆเนี่ยอะไรมันเปลี่ยนแปลงมินิดหนึ่งเรารู้ทันทีเลยซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยความแยบคายในการที่เราจะดูให้เห็นบ่อยๆจากสิ่งที่หยาบๆยบก็คือกายที่เคลื่อนไหวเข้าไปรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ปกติเฉยๆรวมทั้งจิตที่คิดนึกและก็ธรรมชาติ แสดงตัวอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันสิ่งเหล่านี้นี่แหละน่าเป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้น่าด้วยตัวของเราเองแล้วตรงนี้แหละจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเจริญสติไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการจดจำไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการนึกคิดจินตนาการ แล้ตรงนี้เราจะมีที่พึ่งที่พึ่งที่แท้จริงของเราไม่ใช่ที่พึ่งที่ไปอายาุคคลข้างนอกสภาพแวดล้อมข้างนอกนซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็พึ่งได้เป็นบางครัง้งบางคราวแต่สติปัญญาที่เกิดจากการพัฒนาจากการเจริญสติเนี่ยจะเป็นที่พึ่งที่ทำให้จิตใจของเราเป็นปกติได้บ่อยๆความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเบาบางลงไป นะตรงนี้ก็เกิดขึ้นจากการเจริญสตินั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เรามาอยู่ที่วัดป่าสุขโ ต, โตเนี่ยนะจุดประสงค์สำคัญของการมาก็เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยคงมุ่งหวังนะที่จะมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็ฝึกปฏิบัติกันจริงๆนะใช้เวลาทุกเวลานาทีนให้เป็นเวลาแห่งความรู้สึกตัว จะมาอยู่สามวันเจ็ดวันหรือจะอยู่หลายวันก็ตามให้เป็นเวลาของความรู้สึกตัวการฝึกนั้นพยายามทำในรูปแบบให้ได้มากๆนะโดยพวกคนใหม่คนเก่าก็อย่าทิ้งนะนอกจากการทำในรูปแบบแล้วก็พยายามเก็บตกในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนนะให้มีความรู้สึกตัวในกิจวัตรต่างๆนะ เช่นขณะที่เรากลับไปที่พัดนอนก็ไปทําคิดและหมดเวลานะนอนหลับให้ให้อิ่มนะแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกตัวในะขณะที่ตื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตาด้วยความรู้สึกตัวแปรงฟันด้วยความรู้สึกตัวเข้าห้องน้ำํำนะด้วยความรู้สึกตัวมันมีเรื่องอะไรคิดขึ้นมาอย่าไปสนใจมันอย่าไปตามความคิด ความคิดเนี่ยอย่าไปห้ามและก็ไม่ตามด้วยนะกลับมารู้สึกตัวตรงเนี้จะเป็นหลักพื้นฐานที่สําคัญชีวิตแต่ก่อนของเราละหกละเหนินละเหยเล่ล่อนไปกับความคิดไปกับอารมณ์ต่อไปนี้ใจของเราต้องอยู่กับกายของเราให้กายกับใจมันอยู่ด้วยกันแต่ก่อนใจเนี่ยมันไปกับความคิดไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตไปเรื่องการงาน ต่อไปนี้เนี่ยให้เรากลับมาอยู่ที่กายเสียก่อนนะเพราะกายเนี่ยเป็นหลักเป็นฐานได้นะแล้วมันจะไม่พัดหลงได้ง่ายๆแล้วถ้าเราอยู่กับกายบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยมันจะเห็นจิตที่มันคิดนึกนะเมื่อเห็นจิตคิดนึกเนี่ยทีนี้มันก็จะทำให้ความรู้สึกตัวของเรามันตื่นขึ้นนะแล้วมันก็จะทำงานสติเขาลยทำงานของเขาเองเลยนะเราไม่ต้องไปทำอะไรเลย ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยเดี๋ยวก็จะแก้ไ ข, ขเขาเองเป็นหน้าที่ของเขาเราไม่ต้องไปทําอะไรเพียงแต่ว่าเรามารู้สึกตัวที่เคลื่อนไหวให้ได้บ่อยๆนาดูตรงนี้บ่อยๆเรื่อยๆนาจนเป็นนิสัยนิสัยแห่งความรู้สึกตัวตรงนี้แหละจะเป็นการปฏิวัติจิตวิญญาณตอนนี้หลายคนพูดที่เรื่องปฏิรูปสังคมนะ ซึ่งส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือปฏิบัติจิตปัญญาณด้วยด้วยการเจริญสตินะตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราจะได้มาทำกันในระยะสามวันเจ็ดวันมะาหรือหลายวันก็ตามนะอย่างน้อยๆเราก็จะปฏิวัติสิ่งที่เราเคยโกรธเราคิดว่าชีวิตเราจะมีแต่ความโกรธนะหลวงพ่อเขียนหนังสือไม่โกรธก็ได้นะชีวิตมีความทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้นะ คนสมัยใหม่คนที่ทำสมัยคือคนที่ไม่โกรธแล้วหลวงพ่อเขียนนั้นพูดไว้อย่างนั้นถ้าคนที่ยังโกรธแล้วโกรธอีกนี่เขาเรียกว่าคนล้าสมัยเออนี่ก็เป็นเป็นคําพูดที่น่าสนใจนะเราเป็นคนนุนสมัยหรือคนล้าสมัยนะก็ลองเลือกดูนะความโกรธโกรธแล้วโกรธอีกโกรธไม่จบไม่สิ้นไม่อยากให้มันโกรธมันก็โกรธเมื่อเรามาจเจริญสติลองดูสินะเวันเนี่ย ความโกรธมันจะบรรเทาเบาๆาลงไปไหมไม่หายไปมันเบาลงไปเรารู้เท่าทันถ้าสติมันชัดเนี่ยนะความโกรธมันจะเบาลงเพียงแค่มันจะคิดจะโกรธมันรู้แหละนะรู้ว่ามันจะไวมากนาสติมันจะไวมากเพียงแค่หลุดหงิดอะไรนิดหน่อยมันปุ๊บขึ้นมาเลยนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยสตินี่จึงเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่มหัศาลมากเป็นสิ่งที่ไวที่สุดนะ อาตมาพูดกอนเลยไปว่าไม่รู้นะว่าไวที่สุดในจักรวาลยังไม่มีเครื่องมือวัดอันนั้นเองอมันไวมากๆไวบ่าความคิดความคิดว่าไวแล้วสติไวกว่าถ้าเราฝึกดีๆดังนั้นตรงนี้แหละน่าจะเป็นที่พื้นที่แท้จริงที่เราจะใช้พึ่งได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราทําด้วยมือเราเองมันน่าภาคภูมิใจนะมันน่าจะเป็นของขวัญที่เราจะให้กับเราในปีใหม่นี้ เป็นของขวัญสำหรับชีวิตใหม่่าการปฏิวัติจิตวิญญาณของเร า, าด้วยการเจริญสตินี่แหละแล้วก็ในช่วงเจวันนี้เนี่ยเราจะได้เจอใาสิ่ ง, งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตัวเร า, าแล้วก็ให้เรียนรู้มันนะทุกอารมณ์ทั้งอารมณ์ที่เป็นที่พอใจหรือไม่พอใจก็ตาม ธรรมะเนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจของใครเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเราเพียงแต่เรียนรู้เรียนรู้เข้าใจแล้วมันจะเกิดการปล่อยวางเองอันไหนที่เราชอบส่วนใหญ่เรามักจะดึงเข้ามาอัไหที่เราไม่ชอบเรามักจะผลักออกไปแต่ผู้มีสติปัญญาเนี่ยทั้งชอบและไม่ชอบดูมันเฉยเฉมันมาเดี๋ยวมันก็ไปมันมานั่นมันก็ไปตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราเป็นเพียงผู้ดู ไม่จมไปเป็นผู้เป็นนซึ่งหลวงพ่อคำเก่นนั่นใช้คำนี้มากนแล้วที่เราหนัก อ, อกหนักใจเพราะว่าเราไม่รู้มันเราเข้าไปเป็นกับมันเช่นเวลากโกรธเนี่ยเราก็เข้าไปเป็นตัวกโกรธทันทีนะซึ่งตรงนั้นมันไม่ทันแหละนะแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยเพียงแค่มันจะกลืนกลุนจะเกิดมัะเห็นทันแหละนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามการทาอย่างต่อเนื่อง เพราะนั้นในช่วงเจ็ดวันที่มาอยู่เนี่ยให้พยายามตั้งใจนะในการที่จะฝึกรดการพูดการคุยนะพยายามอยู่ด้วยตัวเราเองเหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกนะและพยายามลดการพูดการคุยนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่จะช่วยเสริมนะให้เราได้ปฏิบัติแล้วก็มันจะเจริญก้าวหน้าเพราะนั้นคะำว่าภาวนาหรือพัฒนาเนี่ย มันจะต้องเกิดจากการกระทําไม่ใช่เกิดจากการได้ยินได้ฟังจํเอาไปแล้วก็ไปนึกคิดนึกไอ้นั่นแนหะมันเป็นเพียงแค่ความจําเรียกว่ารู้จําแต่ถ้าเราปฏิบัติลงไปเห็นผลมันจริงๆเนี่ยอันนั้นนะ่นะคือรู้แจ้งเพราะนั้นที่เราทานี่ที่นี่จะไม่เน้นทฤษฎีมากไม่เน้นคำพูดมากแต่พยายามให้พวกเราปฏิบัติลงไปนะจันทรง์งศิลป์กช้ว่ากรรมฐาน ปฏิบัติการไม่ใช่กรรมฐานวิชาการกรรมฐานวิชาการคือพูดแจง้งให้เข้าใจแต่ปฏิบัติไม่ได้นะแต่กรรมฐานปฏิบัติการคือให้เราเรียนรู้ด้วยตัวเราเองและอาจารย์หรือครูที่ดีที่สุดคือตัวเรานะคนนี้มาพูดมาบอกเนี่ยเป็นเพียงแต่ผู้ชี้แผนที่แต่การเดินทางเราต้องเดินเองแล้วก็ลองผิดลองถูก และเดี๋ยวเราจะได้ข้อสรุปของเราเองนะตรงนี้เป็นจุดสำคัญเพราะนั้นเราต้องทุ่มแรงกายทุ่มแรงใจมีความเพียรพยายามทำให้มันเต็มที่แล้วก็ใช้เวลาให้มันคุ้มค่าที่สุดการพูดการคุยการสันทนาการเนี่ยเอาไว้ก่อนเพราะว่าเราอยู่ในโลกเนี่ยเราทาอย่างนี้มาเยอะแล้วนะแล้วมันก็แก้ปัญหาจิตใจไม่ได้เราลองมาดูว่าเอาล่ะเรา มดการพูดการคุยการสันนาการต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำนะตรงเนี้ยลองดูสิเ7วันมันจะเกิดอะไรขึ้นนะตรง น, นี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนพวกเราเนาะที่มาใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกตะแวงนี้นะแล้วก็ได้มาร่วมกันเรียนรู้มาฝึกปฏิบัตินะในการเจริญสติทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบนะทำให้ต่อเนื่อง ต่อเนื่งองมันเป็นลูกโซ่เนี่ยนะเอ่อพระเจ้าท่านก็ได้กล่าวไว้เหมือนกันว่าผู้ที่เจริญสตินะอย่างต่อเนื่องนะภายในเจดปีนะอย่างช้าอย่างกลางก็เจเดือนนะถ้าอย่างเร็วก็ตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจดวันนะอันนี้สงก็คือได้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระนาคามีนะ อันนี้เป็นสิ่งที่มีในพระไตรปิฎกนะในส่วนของหลวงพ่อเทียนจากประสบการณ์ของท่านนะท่านบอกว่าถ้าเจริญสติอย่างต่อเนื่องนะเป็นลูกโซ่เนี่ยอย่างนานที่สุด3ปีนะอย่างกลางก็หนึ่งปีอย่างเร็วตั้งแต่1วันถึง90วันท่านบอกว่าความทุกข์มันจะลดลงไม่ต้องพูดถึงอรหรันอนาคามีอะไรนะให้ทุกข์มันเบาลงไป บันเทาลงไปตรงนี้นก็จะทำให้เรามีชีวิตนะที่ดีขึ้นความทุกข์ก็ลดน้อยลงนะกำลังจิตกำลังใจชีวิตชีวาก็จะได้เพิ่มเติมขึ้นนะพร้อมที่จะไ ป, ปะเผชิญโลกต่อไปนะหลังจากที่เราได้มาฝึกนะที่วัดป่าสโกุโตแล้วก็จะได้ติดตัวติดกายติดใจของเราออกไ ป, ปเผชิญกับโลกต่อไปนะเหมือนกับเราได้มา ปฏิวัติมารือฟื้นนาสิ่งที่เป็นขยะในใจเครื่องเศร้าหมองในใจชำระล้างออกไปนาด้วยความรู้สึกตัวและเพราะนั้นเจ็วันนี้ให้เป็นเจดวันแห่งการปฏิวัติจิตวิญญาณของเรานาที่จะทำให้เรนั้นนาได้กลับคืนมาสู่ความเป็นปกติของใจนาซึ่งเป็นธรรมชาติตั้งเดิม นะของทุกคนนะซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถจะสัมผัสได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยหรือเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ทำได้ทุกคนเพียงแต่ว่าเราจะทำกันหรือไม่แล้วเราจะทำกันมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองเป็นสิ่งที่เราควรจะพิสูจน์นะความจริงอันนี้เพราะ น, นั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะนาเสนอนะแล้วก็ฝากให้พิจารณา สิ่งที่ได้ยินไม่ฟังทั้งหมดนี้ให้ลืมไปให้หมดเลยนะไม่ต้องจำเลยนะปฏิบัติลงไปอย่างเดียวกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่นนอนไหวแค่นี้กุญแจอดอกเอกกุญแจอดอกสำคัญทำตรงนี้และสิ่ ง, งต่างๆมันจะเกิดขึ้นเองนะตรงนี้ก็ให้เราลองนำไปปฏิบัติและไปฝึกดูนะอะไรในทาที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอาคุณของ ภาษี ร, ร, รัตนไตรนั่นก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกบาลนะที่มาอยู่ในตัวเราพระธรรมก็คือสัจธรรมความจรงิงนะที่แสดงที่ปรากฏอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและพระสงฆ์ก็คือการประพฤติธปฏิบัติความเพียรพยายามของทุกท่านนะที่จะปลุกความรู้สึกตัวให้ตื่นขึ้นมาดูสัจธรรมความจรงิง นะที่เกิดขึ้นภายในตัวเราแล้วก็ด้วยความเพียรพยายามกระทำอย่างต่อเนื่องนะ่าจงเป็นพระวะปัจจัยนะ่าหนุนนำส่งให้ทุกท่านนะ่าได้เห็นความจริงของชีวิตได้สัมผัสกับความเป็นปกติของใจอยู่ทุกเมื่อนะ่าและถึงที่สุดของทุกในชีวิตนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร